พระพุทธเจ้าระนิพลสมเดจพระยาณสังวรสมเดจพระสังราชสกวรมหาสังฆปริงายกอันหนึ่งกิเลชละเอียดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสวะ คำว่าอาสวะแปลตามศัพท์ว่าไหลามาคือไหลามานอนจมหมักหมมในที่อื่นคำว่าอาสวะแปลว่าน้ำเหมาก็หมายถึงเป็นสิ่งที่หมักดองอาสวะนี้จัดไว้เป็นสามข้อคือหนึ่งกามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความใคร่ความปรารถนาก็ส่งเคราะห์กับราคะอันใสสอง ภาะวะาสัวะสวะคือพบได้แก่ภาวะคือความเป็นข้อ น, นี้สับไม่กลมเกินกับปฏิฆะอันสัยนะักแต่ก็พออธิบายให้เข้ากันได้พบแปลว่าความเป็นปฏิฆะแปลว่ากระทบเมื่อมีพบคือความเป็นความเป็นนั่นความเป็นนี่ตั้งต้นแต่เป็นเราซึ่งเป็นตัวอัตตาเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ถ้าไม่มีพบก็ไม่มีอะไรที่จะถูกกระทบกระทั่งแต่ว่าเพราะมีพบจึงมีสิ่งที่กระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงภาวะหรือพบคือความเป็นก็จะเป็นภาวะสะวะปาสวะคือพบแต่ว่าเมื่อพูดอีกทางหนึ่งคือความกระทบกระทั่งก็จัดเป็นปฏิฆะ อ, อนุสสาม อวิชชาสวัสดอสวัคืออวิชชาความไม่รู้จริงก็ตรงกับอวิชชาอนุสัยเมื่อทราบถึงด้านเศร้าหมองคือด้านกิเลสเหล่านี้แล้วก็ควรจะทราบพิธีที่จะทําให้ผองแพ้วโดยสังเขปเมื่อจะกิเลสเป็นสามชั้นจะขัดสีกิเลสชั้นยาคือวิติกรรมกิเลสก็ทําได้ด้วยหลักข้อที่หนึ่งคือไม่ทําบาปทั้งปวงในต่อมา ก็จัดเป็นศีละสิกขาสิกขาคือศีลกิเกเลชั้นกลางคือปริยุทธฐานกิเลจะขัดสีได้ก็ด้วยหลักข้อที่สองคือทํากุศลให้ถึงพรอง้อมต่อมาก็จัดเป็นสมาธิติตตสิกขาสิกขาคืออบรมจิตให้เป็นสมาธิในหลักข้อที่สองนี้ควรสังเกตการใช้คํากุศลสูปะสัมปทาแปลว่า การทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้าแปลทับศัพท์คืออุปสมบทกุศลนี้เป็นการอุปสมบททางจิตใจหลักข้อหนึ่งนั้นเท่ากับเป็นการอุปสมบททางกายคือด้วยศีลส่วนกิเลส ช, ชั้นละเอียดคือชั้นอนุสัยนั้นจะขัดสีได้ก็ด้วยหลักข้อที่สามการชำระจิตของตนให้ผ่องแพ้วคือจะผ่องแพ้วจริงๆก็ด้วยอาศัยหลักข้อนี้สิ้นต่อมา ก็ส่งครอบเป็นปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาหมายความว่าต้องอบรมปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงปัญญานี้เท่านั้นจึงจะขับไล่อนุสัยกิเลสหรืออสวกิเลสให้สิ้นไปได้และการอบรมปัญญานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้สแสดงแล้วดังเช่นในอนตัตะตละักขณะสูตรและในอาทิตตะปริยายาสูตรที่ต้องอบรมให้เกิดความรู้เห็นตามที่เป็นจริง ในเบญจะขันหรือว่าไม่อายทะะจนเกิดนิพพทาเป็นต้นดังที่แสดงมาแล้วโดยลาดับต้องดำเนินตามทางนั้นหลักสามข้อนี้เป็นศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสหลักสามข้อนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปอีกหนึ่งคาถากึงว่าอนุปะวาโูการไม่ว่าร้ายอนุปปาโต การให้ทำร้ายปาติโมเขจะสังวโรความสำรวมในพระปาติโมกมัตตัญุตาจะพัตตมีความรู้ประมาณในพัทปันตัญจศยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงบอธิ จ, จิตเตจะอายโข ค, ความประกอบในอธิจิตคือจิตยิ่งเอตังพุทธานะ ศาสนงนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโอวาทในข้อนี้คือเหมือนอย่างเป็นคําอธิบายประกอบของโอวาทที่เป็นหลักสามข้อนั้นมีข้อที่พึงสังเกตคือในเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยปาติโมกฉะนั้นที่ตรัสให้สํารวมในพระปาติโมกจึงมีความหมายคือปาติโมกที่เป็นตัวแบบฉบับอันควร ที่สมณะจะพึงปฏิบัติโดยทั่วไปพระโอวาททั้งหมดนี้เรียกว่าพระโอวาทปาติโมกข์ปาติโมกข์ที่เป็นโอวาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอาหารหันต์ทั้งนั้นจึงไม่ได้มุ่งที่จะอบรมให้ท่านบรรลุมรรคผลแต่ว่ามุ่งที่จะวางแนวพระพุทธศาสนาเบื้องต้นก็ชี้ถึงวาทะของพระพุทธสามข้อต่อมาก็วางหลักปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนาอย่างกว้างๆไว้สามข้อและมีคําอธิบายประกอบอีกเล็กน้อยท่านแสดงว่าในวันอุโบสถในวันพระจันทเพนและวันพระจันดับพระพุทธเจ้าได้ประทับเป็นประธานหมู่พระสงฆ์และก็ทรงแสดงพระโอวาทาปาติโมกข์ขึ้นด้วยพระองค์เองทุกสิบห้าวันแปลว่าทรงทำอุโบสถ ร, ร่วมด้วยภิกษุสงฆ์และก็เรียกว่า ปาลิสุทธิ์ที่อุโบสถคือเป็นอุโบสถที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็ทรงบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็บริสุทธิ์จนถึงมีเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมามีเล่าไว้ในบาลีวินัยว่าพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงจนถึงเวลาหนึ่งยามพระอานน์ก็ไปทูลเตือนว่ายามหนึ่งแล้วพระมานั่งรอยอยู่นานแล้วขอให้เสด็จลงทรงสวดปาติโมก พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงครั้นถึงยามสองพระอานนท์ก็ไปทูลเตือนอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงครั้นถึงยามสามพระอานนท์ก็ไปทูลเตือนอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงแต่ว่าในยามสามนี้ได้มีพระพุทธดำรัสว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์คือว่ามีพระทุศีล ม, มาปนอยู่ด้วย พระโมคคลานะจึงได้เที่ยวตรวจดูเมื่อไปพบภิกษุที่ทุศีนก็บอกให้ออกไปจากที่ประชุมผู้นั้นก็ไม่ยอมออกไปต้องฉุดแขนออกไปแต่ก็สว่างสีแล้วพ้นเวลาที่จะทำอุโบสถก็เป็นอังว่าในอุโบสถนั้นไม่ได้ทำพระพุทธเจ้า จ, จึงทรงฟารบเรื่องนี้ตรัสให้พระสงฆ์ยกเอาพระวินัยที่ทรงบัญญัิขึ้นไวมาสวดเป็นปาติโมฆแทน และให้พระสงฆ์สวนกันเองพระพุทธเจ้าไม่เสด็จลงมาทําอุโบสถ ร, ร่วมด้วยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีการลุกเอาวินัยขึ้นสวดเป็นปาติโมกทุกทุกสิบห้าวันสืบต่อมาจนบัดนี้ปาติโมกที่ยกวินัยขึ้นสวด น, นี้เรียกว่าวินัยปาติโมกทักษิณานุปทานครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันนั้น พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานในพระพุทธศาสนาได้ทรงอารัธนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปในพระเจนิเวศทรงถวายพระตาหารและทรงถวายพยธรรมมีผ้าเป็นต้นแล้วทรงอุทิศกุศลที่ทรงบำเพ็ญนั้นแกญ่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงภาสิทอนุโมทนามีตอนหนึ่ง ที่พระได้นํามาใช้สวดอนุโมทนาในการทําบุญเกี่ยวกับทักษินานุปทานมีว่าอาทาสิเมอากาสิเมเป็นต้นที่มีคําแปล ว, ว่าญาติก็ดีมิตรก็ดีระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในการก่อนว่าท่านได้ให้แล้วแก่เราท่านได้ทำแล้วแก่เราท่านเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสาขาคือเป็นสหายของเรา ดังนี้พึงให้ทักษิณาเพื่อเปตรชนไม่พึงทําการร้องไห้เศร้าโศกรำพันถึงเพราะการทําอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เปตรชนญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเองส่วนทักษินานี้ที่ท่านทั้งหลายบริจาคทําให้ตั้งไว้ดีแล้วให้สยงย่อมสําเร็จประโยชน์แก่เปตรชนนั้นโดยฐานะสิ้นกาลนานท่านทั้งหลายได้ แ, แสดงญาตธรรมนี้ด้วย ได้ทำบูชาเปตชนให้ยิ่งด้วยได้เพิ่มกําลังแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเป็นอันได้ทําบุญไม่น้อยนี้เป็นความย่อในเรื่องที่พระเจ้าพิมพิาสารทรงบําเพนทักษินานุปทานนับว่าเป็นครั้งแรกที่ปรากฏในคำภีรพระพุทธศาสนาคําว่าทักษินานุปทานแยกออกเป็นทักษินักกับอนุปทานอนุปทานแปลว่า การเพิ่มให้แปล ร, รวมกันว่าการเพิ่มให้ทักษีนาคําว่าทักษินานั้นแปลตามศัพท์ว่าเหตุที่ให้ถึงความเจริญท้ายเป็นชื่อของการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายการทําบุญดังนี้เรียกอีกคําหนึ่งว่าปุพพะเปตรีปุพพะก็แปลว่าบุรพ์หรือก่อนเปตรแปลว่าผู้ที่ลาไปแล้ว คนที่ตายไปแล้วพรีก็แปลว่าการสละให้แปลรวมกันว่าการทําพรีคือการสละให้เพื่อผู้ที่ลาไปแล้วในการกอดอีกอย่างหนึ่งปุพภะเปตะแปลว่าปุรผบิดรตามนัิติพราหมณ์บรรพบรุษที่จะจัดว่าเป็นปุภาเปตาหรือว่าปุรผบิดร น, นั้นนับขึ้นไปเพียงสามชั้นคือบิดาปู่ ทวนอกจากนี้ไม่น่าเป็นบุรภาพบิดรการทําบุญอุทิศให้ผู้ตายนี้เป็นธรรมเนียมที่มีมาเก่าแก่เพราะเชื่อกันโดยมากว่าตายเกิดเชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาเข้าร่างเก่าอีกครั้งหนึ่งก็มีแต่ว่าโดยมากนั้นไม่เชื่ออย่างนี้แต่เชื่อว่าไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ญาติที่อยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงเกรงว่าจะไปเกิดในภพในชาติที่อดอยากจึงทําบุญอุทิศให ใครมีความเชื่ออย่างใดก็ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําบุญอย่างนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศรัทธาในภาษาบาลีหรือสารัทธาในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าศรัทธาดังที่เรามาใช้ว่าสราทัตพฤษก็คือวัดหรือการปฏิบัติ ด, ด้วยศรัทธาก็คือการปฏิบัติด้วยมีความเชื่อว่าทําอย่างนั้น ทำอย่างนี้ผลจะไปถึงแก่ผู้ตายในรัฐทิของพรามนั้นเขามีวิธีเส้นด้วยกรวดน้ำและด้วยให้ทานการเส้นนั้นเส้นด้วยก้อนข้าวแก่บุรพาบิดร3สามชั้นดังที่ได้กล่าวแล้วเรียกว่าสปินทะแปลว่าผู้ร่วมก้อนข้าวนอกจากบุรพาบิดร3สามชั้นนั้นไม่เส้นด้วยก้อนข้าวแต่ว่าใช้กรวดน้าให การกรวดน้ำของเขานั้นก็ลงไปในแม่น้ำเอามือกอบน้ำและให้น้ำไหลออกจากมือพร้อมทั้งอุทิศเพื่อให้ยอดผู้ตายไปแล้วจะได้มีน้ำบริโภคจะได้ไม่กระหายน้ำการกรวดน้ำนี้ก็ใช้แก่บุรพชนสามชั้นนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งให้ทานคือเชิญพรามาเลี้ยงแล้วก็ให้เสื้อผ้าเพื่อว่ายอดผู้ตายไปแล้วจะได้มีอาหารบริโภค และจะได้มีผ้านุ่งห่มใช้สอยการเส้นด้วยข้าบินที่เรียกว่าสปินทะนี้ก็ติดมาในธรรมเนียมไทยเช่นในวันตรุษวันสาก็ใช้ใบตองทำกรวยใส่ข้าวลงไปแล้วก็วางลงบนผานเป็นต้นมีกับข้าวหรือสิ่งที่เป็นอาหารตั้งรอบๆการกรวดน้ำนัำ้นก็น่าจะติดมาในธรรมเนียมไทยที่ใช้กรวดน้าด้วยการเทน้าเป็นการแสดงกิริยาว่า ให้อย่างหนึ่งทั่วๆไปดังที่เคยอธิบายมาแล้วแต่ว่าที่เรามาใช้ตรวดน้ํานั้นอาจจะติดมาจากธรรมเนียมของพรามดังกล่าวก็ได้แต่ว่าไม่ได้รุ่งว่าจะให้น้ําที่เทลงไปนั้นไปเป็นน้ําสําหรับญาติผู้ตายไปแล้วจะได้บริโภคเราใช้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้ในขณะนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงกิริยาว่าให้การตรวดน้ําของพรามนั้นเรียกว่า สมาโนทกเป็นการให้แก่ญาติแปลว่าเป็นผู้ร่วมน้ํากันคราวนี้มาถึงพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระราชบารมอย่างไรจึงได้ทรงบำเพ็ญทักษินานุปาทานในพระพุทธศาสนาพระอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงเลี้ยงพระในวันที่ถวายพระเวรุวันนั้นพวกญาติของพระเจ้าพิมพิสสารในอดีตชาติ ที่ทำบาปทำอกุศลไว้ไปเกิดเป็นเปตตที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าเปรตพากันไมย อ, ออยู่มากมายคิดว่าพระเจ้าพิมิสฐานจะทรงอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้างแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครระลึกถึงเป็นอันว่าญาติเหล่านั้นไม่ได้รับส่วนกุศลตกเวลากลางคืนก็มาทาเสียงเปรตพระเจ้าพิมิสานได้ทรงสดับเสียงที่น่ากลัวนั้นเมื่อทรงหันระลึก จึงได้ทรงมีพระราชปารมจะทําบุญอุทิศให้และต้องทรงบําเพ็ญทักษิณานุปทานดังกล่าวนั้นทรงบําเพ็ญในรุ่งขึ้นจากวันที่ถวายพระเวรุวันท่านพระคถ า, าจารย์ท่านเล่าไว้ดังนี้พิจารณาดูตามเรื่องรามก็มีวิธีบําเพ็ญทักษิณานุประทานบําเพ็ญอุพเปตพรีทำสราทะท่าพรษ ด, ดังกล่าวมาแล้วการบําเพ็ญในพระพุทธศาสนาก็ควรจะมีบ้างแต่ว่า การบําเพ็ญในพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องแผ่ใจไปคือไม่มีการเส้นและไม่มีการอุทิศ น, น้ํานั้งให้มีแต่การบําเพ็ญทานในพระพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและก็อุทิศส่วนกุศลที่บําเพ็ญนั้นไปให้ตั้งที่ปณ์บเขาจํากัดให้แก่บุพาราบิดรคือญาติชั้นผู้ใหญ่นับขึ้นไปสามชั้นดังกล่าวและญาติที่นอกจากนั้นแต่ในพระพุทธศาสนา อุทิศแก่ใครๆก็ได้ทั้งนั้นดังในบทอนุโมทนาที่แปลมาแล้วเมื่อระลึกถึงอุปการะของบุคคลที่ล่วงไปได้ทําไว้จะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนก็ตามก็ทําบุญอุทิศไปให้ได้ไม่จํากัดอยู่ในวงแคบไม่ปั่นชั้นว่าจะต้องเป็นบุปผรวิดอนเข้านั้นจึงจะกินข้าวได้ถ้าญาตินอกนั้นกินได้แต่น้ําเท่านั้นคือว่าบุรภาบิดร์สามชั้นนั้นเป็นสปินทะ กินข้าวได้นอกนั้นก็วักน้ำขึ้นให้กินแต่น้ำแต่ในพระพุทธศาสนาอุทิศให้ได้ทั่วๆไปจนถึงแก่สรรพสัตว์และพระพุทธเจ้าได้ตรัสอนุโมทนามีบทที่เป็นกลเม็ดอันเกี่ยวแก่ทานพึ่พิพจารณาก็คือว่าสำเร็จได้โดยฐานะท่านว่ายอย่างนั้นก็แปลว่าถ้ามีฐานะที่จะถึงที่จะสำเร็จก็สาเร็จได้ถ้าไม่ใช่ฐานะก็ไม่สาเร็จ และได้ทรงอธิบายน้อมเข้ามาในปัจจุบันผลที่ผู้บำเพ็ญ น, นั้นเองจะพึงได้รับและผลที่ผู้รับทานจะพึงได้รับดังที่ว่าผู้บำเพ็ญ น, นั้นเองนั้แสดงญาติธรรมให้ปรากฏเช่นแสดงให้ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีกระตังยูกระตาเวทีและได้ปฏิบัติพอสมควรได้ทำบูชาเปตชนคือได้แสดงความเคารพนับถือต่อผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแล้วก็ได้เพิ่มให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลาย ได้บําเพญบุญไม่น้อยก็เพราะว่าได้ทําทานทรงแสดงให้ผลปรากฏแก่คนเป็นซึ่งให้สําเร็จประโยชน์ที่เห็นกันอยู่ส่วนที่แจถึงแก่คนตายนั้นก็จะสําเร็จโดยฐานะคราวนี้คําว่าฐานะคือที่จะปุงสําเร็จได้กับอาฐานะคือที่สําเร็จไม่ได้นั้นมีพระสูตรหนึ่งแสดงไว้ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชาลุสโสนี้ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่า พวกพรามณพากันให้ทานทำสราตทะหรือว่าสราตทาพรษด้วยตั้งเจตนาอุทิศว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วจงได้บริโภคทานนี้ทานที่ทำนั้นจะสำเร็จหรือไม่และญาติสาโรหิตผู้ละไปแล้วจะได้บริโภคหรือไม่ในพระสูต์นั้นได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าสำเร็จในฐานะ ไม่สําเร็จในอัถนะไม่สําเร็จในอาถา น, ะน า, า น, นั้นก็คือคนที่ทําอกุศลกรรมบทสิบไปเกิดเป็นเนลยิกะคือสัตว์นรกก็ดีไปเกิดเป็นกําเนิดจิริฉานก็ดีหรือว่าคนที่เว้นจากอกุศลกรรมบทสิบไปเกิดร่วมมือ ก, กับมนุษย์ก็ดีกับเทพก็ดีก็บริพูกอาหารที่เป็นของจําพวกที่ไปเกิดนั้นทานที่ทําอุทิศไปให้ไม่สําเร็จแต่ว่าคนที่ทําอกุศลกรรมบทสิบ ไปเกิดในปิติวิสัยคือเกิดในกำเนิดเปรตนี่หมายถึงเป็นภคของผู้ที่ทำบาปไปเกิดจำพวกหนึ่งที่มีร่างกายพิกลพิการต่างๆจำพวกปิติวิสัยนี้ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารสำหรับจำพวกนั้นและเป็นอยู่ด้วยอาหารที่ญาติรรมิตรทำบุญอุทิศไปให้จำพวกนี้เท่านั้นจึงเป็นฐานะที่จะได้รับผลชานุสโสนิพราห์ก็ถามว่าถ้าญาติสาโรหิตที่อุทิไธนั้น ไม่ไปเกิดในปิติวิสัยใครจะได้รับผลในพระสูตก็กล่าวว่าได้ตรัสตอบว่าญาสาวรหิตอื่นๆจากนั้นก็จะได้รับผลเพราะว่าที่จะว่างจากญาสาวรหิตของใครเลยนั้นเป็นอันไม่มีชานุสสโสนิพรามก็ถามต่อไปว่าเมื่อไปเกิดในอาถารณะคือในกําเนิดที่จะไม่ได้รับผลจะมีข้อปริกัำอันใดบ้างที่เขาจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ตรัสตอบว่าเขาก็จะได้รับผลของฐานที่เขาทําไว้เองเช่นว่าถ้าเขาได้เคยบําเพ็ญฐานไว้เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เบรฉานเช่นเป็นช้างเป็นมา้าก็จะไม่ใคร่จะอดอยากมีน้ํามีข้าวมีอาหารอะไรบริบูรณ์เมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพก็จะไม่ขาดแคลนมีสิ่งที่ต้องการบริบูรณ์ก็เป็นผลของทานที่เขาทําไว้นั่นเองซึ่งสรุปลงว่าพายก คือผู้ให้ผู้บริจาคนั้นจะไม่ไร้ผลเมื่อสรุปลงแล้วมติดทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ว่าการบำเพ็ญทักษินาที่จะสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ลับไปแล้วนั้น 1. นทายกทายิกาคือผู้ให้ผู้บริจาคจะต้องตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนให้จะใช้น้ํากรวดหรือไม่ใช้น้ํากรวดก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนให้สอง ผู้ที่ละไปแล้วนั้นไปเกิดในปิติวิสัยดังกล่าวและได้ทราบได้อนุโมทนาคือวันเทิงยินดีในการบาเพ็ญกุศลของญาติในโลกนี้และสจะต้องถึงพร้อมด้วยทักษิณนยะบุคคลคือบุคคลผู้ควรทักษินาถ้าในศาสนาพราหมณ์ก็พวกพราหมณ์เป็นทักษิณนยะคือผู้ควรทักษินาของเขาทานพระพุทธศาสนาก็หมายถึงพระพิสุสงฆ์แต่ว่าการบาเพ็ญผ่าน แม้ในบุคคลหรือในส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้ว อ, อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็สําเร็จประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ในทางราชการมีใช้อีกคําหนึ่งว่าทักษินอนุศน์ตัดบทเป็นทักษินแล้วก็อนุศน์อนุศน์ก็แปลว่าตามระลึกถึงแปลรวมกันเข้าความก็ไม่สนิทนักตามระลึกถึงทักษินานต่อมาบัญจับใช้ในความหมายถ้าทําบุญมีสวดมนต์มีเลี้ยงพระด้วยเรียกว่า ทัศนานุปทานถ้ามีแต่สวดมนต์มีบางสุกุลมีสดับปกรณ์แต่ไม่เลี้ยงพระก็เรียกว่าทัศนานุสอนการบำเพ็ญทัศนานุปทานนั้นของพราะไม่ค่อยยอมจะให้ขาดผ้าขาดอาหารคือจะต้องมีการให้ผ้าให้อาหารแก่พวกพราหมณ์ในฝ่ายพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันจะทําให้บริบูรณ์จะต้องมีทั้งผ้าทั้งอาหารและผ้านั้นในวิธีบำเพ็ญก็ไม่ใช้ถวายด้วยมือแต่ใช้ทอด ให้พระบางสุคุลหรือสดับปกรถ้าผู้ตายเป็นบุคคลสามัญก็เรียกบางสุคุลถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็เรียกสดับปกรบางสุคุลเป็นชื่อของผ้าเก่าที่กล่าวถึงในนิสัยข้อที่หนึ่งว่านุ่งห่มผ้าบางสุคุลสดับปกรแปลว่าเจ็ดคำพีเป็นชื่อของอภิธรรมที่มีเจ็ดคำพีเมื่อเวลาจะสวดศบนิยมเอาบทพระบาลีในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีมาสวด เมื่อถึงตอนชักผ้าก็ออกมาเป็นชื่อผ้าเป็นสดับปกรณ์มีได้สายศินหรือผ้าภูสายงจากศพหรือจากอัฐิมาข้างหน้าพระและเจ้าภาพก็นำผ้าไปทอดวางไว้บนผ้าภูสายงหรือบนได้สายศินนั้นและพระก็จับผ้าใช้มือขวาจับผ้าแล้วก็ว่าพระพุทธพาสิตปดบางสุขุนอนิจจาวตสังขารสังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยงนออุปาทวยธรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมราอุปัชิ ต, ตาวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังอุปสโมสุขโขความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขในฝ่ายพระธรรมยุทธ์ว่าเพิ่มเข้าอิกฐานหนึ่งว่าสัพเพสัตตามรนันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีมรีสุจะมริษเรตายไปแล้วก็ดีจะตายข้างหน้าก็ดีตะเทวหังมริษสามิตัวเราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตตะสังสยความสงสัยในเรื่องตายนี้ไม่มีแก่เราคราวนี้เอาผ้าไปท่อไปที่หีบศพบนเมรุจะเผาแล้ว พระไปชักก็ว่าบทนี้แต่เรียกว่ามหาบางสุขุนเป็นเพราะใกล้ศพก็ไปมากสักหน่อยทอดผ้าภูสายโยงหรือสายศินนั้นใกล้ศกหน่อยในพระพุทธประวัติมีเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรมานอุรุเวลกัสสปะที่ตําบลอุรุเวลาได้ทรงชักมหาบางสุขุนแต่ว่าไม่ได้ทรงทําถึงวิธีอย่างนี้คือไปทรงชักผ้าที่ก็ห่อศพทิ้งไว้มาทรงสักย้อม ทำเป็นจีวรสาหรับทรงครองในตำเนียนไทยเราบางแห่งก็มีเหมือนกันเอาศพไปไว้ในป่าหรือในสมถุมพุ่มไม้แล้วเอาผ้าไปไว้ในมือศพทำเป็นกระดานกลอนไว้แล้วนิมนต์พระไปชักพอพระเข้าไปก็เหยียบกระดานกลนนั้นศพก็ลุกขึ้นนั่งทำท่าเหมือนจะถวายผ้าแล้วพระก็ชักเอามาแต่ว่าบางทีเขาไม่บอกให้พระรู้ถ้าขวัญไม่ดีก็แย่เหมือนกัน วิธีชัดผ้าบางสกุลนี้คงจะมุ่งสําหรับพระที่ถือรับผ้าบางสกุลเป็นวัดคือไม่รับผ้าที่ทายกถวายหรืออีกอย่างหนึ่งก็รักษาธรำเนียมเก่าที่แปลว่าพระไปปลื้มเอามาจากศพเน่าๆทีเดียวแล้วก็นำไม้ซักย้อมทําเป็นผ้านุ่งห่มดังพระพุทธเจ้าได้ทรงธรำมาแล้วดังเล่าไว้ในพระพุทธประวัตินั้นโปรดติดตามรับฟัง ส5บห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสั ง, งวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป